ทีนี้ท่านก็ใส่ชุด เ, เรียบร้อยทีนี้บอกกับพ่อว่าพ่อพ่อ พ, อพอดูผมนะผมทํายังไงให้ทําอย่างนั้นนะต้องดูผมนะผมทํำยังไงให้ทําอย่างงั้นนะถ้าไม่ทําอย่างผมเดี๋ยวขายหน้าเด้อายเขาเด้เขาจะว่าพ่อบันนอกทั้งพ่อเลยก็ลูกชายแนะนำหลังจะทำยังไงอย่างไรทักลูกชายบอกแล้วจะทํำยังไง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 เอ yeah, อันนี้เขาไม่ใช่ให้กินนะไม่ให้ดื่มนะเนี่ยน้ำล้างมือนหนเนี่ยไอ้พระญี่ปุ่นก็เทใส่ฝาบาทล้างมือเราก็เห็นอคนที่สังเกตเนี่ยคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยกับคนที่ไม่คิดเนี่ยคนไม่สังเกตมันต่างกันหนะ่เชา่ามันต่างกันเหมือนกันเพราะนั้นเราไปในสถานทีใน่ใดที่ใดให้สังเกตเขาทํำยังไงไอ้หลวงปู่ล่าเคยพูดที่ไปบ้านเศรษฐีในภูเกต็ต